เพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้เราคุยกันถึงเรื่องว่าอะไรเป็นทุกข์นะเมื่อกี้คุยกันอยู่สามสี่คนนี่นะถามว่าอะไรเป็นทุกข์ก็ลองดูในคำภีนะท่านบอกว่าพระพุยิภคทรงแสดงทุกข์ง่ายก่อนเลยเห็นง่ายก่อนเลยคือชาติเป็นทุกข์ชาลาเป็นทุกข์โสโกะปริเทวะทุกข์เห็นง่ายๆใครปฏิเสธมั้งครับว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ทุกข์ ไม่มีใครปฏิเสธเลยใครไม่เคยทุกข์ไม่มีเจ็บไข้ใดป่วยเสียอกเสียใจนะต้องมีทั้งนั้นที่ทุกข์ง่ายที่สุดแล้วถามว่าที่เป็นทุกข์ริยสัตว์ไหมเป็นทุกข์ริยสัตว์นะครับซึ่งบางสำนักบอกไม่ใช่ทุกข์ริยสัตว์เป็นทุกข์เฉยๆเป็นทุกขเวทนานะนี่เป็นทุกข์แต่เป็นเป็นทุกข์ขะทุกข์ที่ทุกข์ที่เห็นง่ายอ่ะใครๆก็เห็น แต่ทุกที่เห็นยากนั้นนะ่ะคือสูงกว่านี้ซึ่งเป็นทุกทางอ้อมเพราะองค์ก็บอกไว้ว่าสรุปแล้วโดยยฉพอุปาทานขันห้าเป็นทุกขนะตอนนี้อุปาทานขันทาเป็นทุกเนี่ยมันทุกยังไงเนี่ยนะครับอุปาทานขันห้าก็ได้แก่จิตเอายกจิตมาอย่างเดียวก็ได้จิตแปดสิบเอ็ดดวงเป็นทุกหมดนะ ในพระวิธามบอกไว้จิตปฏเตดวงนั่นแหะเป็นอุปาทานเป็นวิญญาณูปาทานขันเป็นทุกข์อ้าวจิตมีตั้งกุศลอกุศลกิริยามเป็นทุกข์ได้ยังไงอ่ะถ้าจิตเป็นอกุศลจิตเป็นโทมานัตอะไรพวกนั้นก็เออก็เป็นทุกข์นะจิตเศร้าหมองอะไรก็มันเป็นทุกข์เห็นชัดชัดเออถ้าจิตเป็นกุศลเป็นทุกข์ได้ยังไงจิตเป็นกุศลก็เป็นทุกข์นี่แสดงว่าพรวกตัดไว้ไม่มีผิดใช่ไหมก็จิตเป็นกุศลก็ต้องเป็นทุกข์ เพราะเมื่อจิตเป็นกุศลอย่างพระผู้มี <c oughs> ขอโทษอย่างในหลวงของเรานี่นะฮะอย่างในหลวงของเราเนี่ยจิตท่านเป็นกุศลและท่านก็ทำกรรมไว้ในอดีตจึงได้มาเกิดในฐานะกษัตริย์อย่างนี้เนี่ยใช่ไหมครับเมื่อเกิดในฐานะกษัตริย์อย่างนีนะ้เมื่อเกิดมาแล้วมันจะหนีเรื่องเรื่องเรื่องการเจ็บการไข้ได้ไหมเกิดทุกขโทมนัสได้ไหมไม่มีไม่พ้นแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นจึงกล่าวว่าแม้แต่กุศล ก็เป็นทุกตรงนี้ที่ครับเห็นยากแล้วก็ไม่ค่อยมีใครเห็นด้วยเราเห็นทุกง่ายอย่างเงี้ยเมื่อกี้นี้คุยกันอยู่ตรงเนี้ยครับเนี่ยว่าทุกตรงเนี้ยพระองค์ก็ไม่ได้บอกว่าเอาอดู่ตรงนี้นะพระองค์บอกว่าถ้าทุกนี่นะจะจัดการกับมันยังไงอี่ตรงนี้แหละครับหลายสํานักเนี่ยแตกต่างกันเลยอะหลายสํานักอะสํานักนี้นบอกเอ้ยแกต้องดูแค่น้ํารูปนะแกต้องแยกน้ําแยกรูปออกนะอย่างนี้นะเอออันนี้เนี่ยแกจะเห็นตัวทุกแกจะเข้าถึงธรรมะ นะแต่นตายพระไตรปิฎกบอกว่าถ้าทุกอย่างนี้นะพระผู้ภาพระตาตบอกว่าถ้าทุกนะั้นต้องทําปริญญาคือต้องรอบรู้ในทุกขนะรอบรู้ยังไงต้องรอบรู้หมดเลยแม้แต่แม้แต่กุศลจิตซึ่งเป็นซึ่งเป็นทุกทางอ้อมเนี่ยก็ต้องรอบรู้อย่างละเอียดเลยไม่ใช่รู้ว่าเออมันน้ำมาทําอย่างเดียวแล้วก็จบไม่ใช่อย่างนั้นนะ ต้องรอบรู้ตัวกุศลธรรมนี่ทั้งหมดเลยที่เกี่ยวข้องรู้ทั้งลักษณะเป็นยังไงมีเหตุมีปัจจัยยังไงเหตุใกล้เหตุไกลยังไงมีอะไรปรากฏมีคุณยังไงมีโทษยังไงจะสลัดมันออกยังไงนี่โพระองค์บอกไว้หมดเกลี้ยงเลยเราทําตามเท่านั้นนะ่ะไม่ต้องไปคิดใหม่เลยพระองค์บอกไว้หมดแล้วเราทําตามนั้นนะ่ะเพราะฉะนั้นทุกเรื่อนี้เนี่ยแหะพระองค์ก็บอกไว้ให้จัดการกับมันยังไงนะฮขโอเเรื่องที่ ที่เอามาเป็นหัวข้อที่สนทนากันมาหลายครั้งนั้นนะนะคำว่าสุญญาตานะแต่ว่าไอ้ข้อค ำ, คำว่าสุญญาตานั้นหยิบยกมาจากข้อความในโมคราชปัญหาซึ่งไม่ใช่เอาโมคราชปัญหามาบรรยายนั่นนะต้องต้องเข้าใจนะแยกสองส่วนว่าไม่ใช่เอาโมคราชปัญหามาอธิบายทั้งหมด เพียงแต่ว่าลวงเอาข้อความคำว่าสุนยตา ม, มาอธิบายตามแนวโมคข ร, ราชปัญหาไม่ใช่เอาเรื่องของพระโมฆข ร, ราชมาพูดจะนะถ้าสังเกตดูเราก็จะบอกว่าพูดแต่เรื่องพระโมคขราชโมคะราชฎ พ, พระขอมาจะไม่พูดถึงท่านพระโมฆะราชฎรเลยเพราะไม่ได้อยู่ในหัวข้อที่ที่เราได้ตั้งเอาไว้ในลักษณะนั้น แล้วโดยเฉพาะปัญหาของท่านพระโมคขราชนั้นนะ่ะซึ่งพระองค์ได้ทรงตรัสต่อในการพิจารณาเห็นโลกโดยความเป็นของศูนย์เนี่ยนะซึ่งก็เท่ากับพระองค์สอนให้เจริญอนัตตานนปัสสนานั่นเองเนี่ยนะนะซึ่งก็เป็นวิธีการปฏิบัติธรรมอีกวิธีหนึ่งเนี่ยนะนะซึ่งหยิบยก เรื่องอนัตตาเนี่ยนะขึ้นมาเป็นหัวใจใหญ่เลยเป็นหัวข้อใหญ่ในการปฏิบัติธรรมซึ่งเราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าตัวปัญญาที่เข้าไปเห็นอุปาทานขันห้าปัญญาในที่นี้ได้แก่ปัญญาที่เรียกวิวปัสนาปัญญาวิปัสนาปัญญานั้นพี่ารณาเห็นอุปาทานขันอุปาทานขันนี้อีกชื่อหนึ่งเรียกว่าโลกเห็นอุปาทานขัน หรือเห็นมาโลกอันเนี้ยโดยความเป็นของของศูนย์เนีนย่ยการแสดงธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นบางสูตรพระองค์เน้นทุกขลักษณะค่อนข้างมากบางสูตรเน้นอนิจจลักษณะบางสูตรเน้นอนัตตลักษณะเนี่ยปัญญาที่เข้าไปเห็นขันห้าโดยลักษณะที่แตกต่างกัน เนื่องจากผู้ปฏิบัติธรรมนั้นมีความสามารถในการเจริญที่แตกต่าง ก, กันอย่างพระสูตรบางสูตรที่พระ อ, องค์ตรัสให้เจริญอ น, นิจจานุปัสสนาเลยยกตัวอย่างเช่นพระ อ, องค์ตรัสว่าเมื่อบุคคลเห็นธรรมะทั้งสังขารทั้งปวงโดยความเป็นของไม่เที่ยง น, นะเมื่อเข้าไปเห็นสังขารทั้งหมดโดยความเป็นของไม่เที่ยง เมื่อนั้นเขาจะเบื่อหน่ายในทุกเหล่านั้นแ่ความเบื่อหน่ายในทุกเหล่านั้นนั่นเป็นทางแห่งความหมดจดนเนเพราะฉะนั้นนั่นแสดงว่าพระองค์เน้นเจริญอนิจจานุปัสสนามากเข้าไปเห็นสังขารหรือว่าเห็นโลกโดยความเป็นของไม่เที่ยงผู้ที่ตามเห็นโลกโดยความเป็นของไม่เที่ยงลักษณะนี้ก็จะทำให้ถึงความหมดจดได้บางสูตรพระองค์ก็แสดงทุกขลักษณะมาก ยกตัวอย่างพระสูตรที่กล่าวถึงทุกขลักษณะว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์่างนั้นเถอะเมื่อใดบุคคลเข้าไปเห็นสังขารทั้งปวงโดยความเป็นทุกข์เนี่ยนะเมื่อนั้นเขาจะเบื่อหน่ายในทุกพวกนั้นแหละที่ตนหลงที่ตนไม่รู้เนี่ยน ะ, ะความเบื่อหน่ายในทุกนั่นแหละนั่นเป็นทางแห่งความหมดจดอันนี้เรียกว่าพระองค์ขับเน้นที่ทุกขลักษณะ บางสูตรพระองค์ก็แสดงอนัตตลักษณะเนี่ยนะเมื่อใดเห็นธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาเขาก็จะเบื่อหน่ายในทุกเหล่านั้น่ะที่ตนหลงความเบื่อหน่ายในทุกนั้นเป็นทางแห่งความหมดจดข้อความบางแห่งนั้นแสดงรวบทีเดียวเลยทั้งอนิจจงทุกขังและอนัตตาบางแห่งแยกะนะอนิจจงไว้ที่หนึ่งทุกขังไว้ที่หนึ่งอนัตตาไว้อีกที่นง ตามกลุ่มตามอัธยาศัยของผู้ฟังอย่างในหัวข้อที่เราสนทนากันเมื่อกี้เนี่ยเท่าที่ฟังดูแล้วเรามีความสนใจทุกขลักษณะมากกว่าอนัตตลักษณะเนี่ยนะแต่เวลาปฏิบัติเราเพ่งไปที่อนัตตลักษณะแต่ประเด็นที่ที่เราอยู่หมกมุ่นมากเราเห็นโลกเห็นชีวิตคือเห็นในลักษณะทุกขลักษณะแต่ไปปฏิบัติอนัตตลักษณะ น, นะเท่าเท่าที่สังเกตดูนะจะเป็นลักษณะนั้น เพราะฉะนั้นเป็นการเจริญกุศลธรรมที่จะว่าไปก็ไม่ค่อยตรงกับตรงกับอัธยาศัยเรานะักซึ่งอัธยาศัยของเราสนใจเรื่องทุกมากกว่าที่จะสนใจเรื่องอนัตตาถามว่าทําไมเป็นอย่างนั้นเนื่องจากว่าพื้นฐานของเราทั้งหลายไม่ได้เกิดมาในสายทิฏฐินะไม่ได้เกิดมาในสายมิจฉาทิฏฐิถ้าเกิดมาในสายมิจฉาทิฏฐิตรงตร ง, ตรงเนี่ยนะจะแก้ด้วยเรื่องอนัตตา นะว่าเหตุผลเข้าไปยังไงอะไรยังไงพวกลัทธิต่างๆที่เข้ามาว่าเที่ยงว่าขาดศูนย์เป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะในส่วนนี้จะต้องเอาเกี่ยวกับเรื่องอนัตตามาชี้แจงแต่ที่ที่เราติดข้องกันมากเนี่ยเรากําลังติดข้องในเรื่องทุกเนี่ยนะโดยมากเลยนะคนคนไทยเนี่ยนะไม่ค่อยเป็นมิจฉาทิฐิมากเท่าไหรนะ่นักเพราะพื้นฐานปูยา่าตายายปลูกฝังแนวกรรมสกตาไว้ให้ค่อนข้างมากบุญบาปมีจริงอะ อย่างน้อยที่สุดทุกคนก็ต้องผ่านหูมาก่อนเพราะฉะนั้นอนัตตลักษณะก็เลยไม่ได้ติดใจมากนักว่าอัตตามันล่องลอยไปอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ไม่ได้คิดในลักษณะนั้นเท่าไหร่กันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นปัญหาในลักษณะอนัตตานั้นน่ะผู้ที่จะเข้าใจอนัตตาดีก็เอาทุกขลักษณะมาอธิบายอนัตตาก่อนก็ได้เนี่ยนะโดยที่เอาเอาทุกขลักษณะนั่นแหละ แต่ถ้าหากว่าไปหยิบยื่นที่อนัตตลักษณะโดดโดดเลยเท่าที่ฟังดูแล้วไม่มีใครไปเจริญเลยเท่าที่ฟังนะในกลุ่มเราเนี่ยนะที่ที่ที่เรามารู้จักเนี่ยไม่มีใครเจริญอนัตตาเลยเนี่ยนะะชื่อเนี่ยใช่แต่ข้อปฏิบัติที่เป็นอนัตตาเนี่ยไม่ใช่สักอันเลยเพราะคนที่จะเข้าใจเรื่องอนัตตาหรือสุญญาตาเนี่ยนะ เขาเหล่านั้นเป็นคนที่ตื่นตัวในการเจริญกุศลมากคนที่ปฏิบัติอนิจอนาตานุปัสสนานะี่คนพวกนี้เป็นคนประเภททิฏฐิจริตเป็นนักแยกแยะเหตุผลที่ค่อนข้างละเอียดละออมากเขาวิจัยวิจาร์ถึงเหตุผลโดยนยักต่างๆนนะที่เรคว่ายิ่งกว่านักวิทยาศาต์ได้ทํา <laughs> เพราะว่าค่อนข้างตื่นตัวแยกแยะวิจัยวิจารอยู่นั่นนะค่อนข้างมากอย่างเช่นเห็นขันห้าโดยอาการสอง เนี่ยนะที่เราเห็นเห็นขันห้าโดยความเป็นอนัตตาโดยอาการสองอาการ4อาการ6อาการ8อาการ10อาการ12สเนี่ยนะสิ่งเดียวนั่นแหละวิจัยวิจารณโดยแงย่มุมต่างๆเพื่อให้ถอนเรียกว่าละคลายความยึดถือในในในอุปาทานขันห้าเพื่อที่จะกําจัดฉันทราคะในในขันห้าเพราะฉะนั้นเท่าที่ที่ฟังดูแล้วนั้นการกล่าวถึงอนัตตามากๆก็ไม่ได้ทําให้ประสบความสาเร็จมากนะ ออ <c oughs> ผม <c oughs> ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับตรงนี้นะครัคือในสมัยพุทธกาลหมายความว่าบุคคลที่พระภุทภาคทรงไปโปรดนั้นนะโดยมากส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องของทิฏฐิแทบทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับที่อยู่นอกที่ uh, เป็นนักบวชศาสนาต่างๆนะในสมัยนั้นเพราะฉะนั้นมักจะต้องเอาเรื่องนี้มาถกกันเจทพานแต่ยังอย่างเราเรานี่มันชัดชอยู่แล้วทุกขัยไม่ทุกบ้างครับ คือของเรานี่นะครับไม่ได้เชื่อเรื่องอัตตาอะไรมันไม่ได้ร่องร้อยอะไรมันก็ถามใครมันเที่ยงไหมไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์เป็นอนัตตาหรือเปล่าเป็นอย่างเงี้ยมันทุกคนก็โดยทั่วไปความรู้สึกลึกๆแล้วก็ยอมรับในความเป็นเป็นอนัตตาของของสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะแต่ด้วยอำนาจตัณหานะที่เข้าไปเพลิดเพลินเข้าไปยินดีในสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะก็เลยทําให้ปิดบังความรอบรู้ในสิ่งเหล่านั้นไปนะ ทันทีจริงธรรมะในอ ย, อย่างของพวกเราเนี่ยนะเอาทุกคลักษณะมาที่บายดูจะคนจะตื่นตัวมากกว่าบางคนนั้นบนรรลุมรรคผลเพราะพิจารณาอนิจจ์เพราะนั้นพวกนี้เขาเรียกว่าอนิมิตตานุปัสสนาบางคนนี้บรรลุมรรคผลเพราะพิจารณาโดยความเป็นทุกข์เขาเรียกว่าอัปนิหิตานุปัสสนา นะบางคนที่พิจารณาโดยความเป็นอนาตาัตตนี้เขาเรียกว่าผู้เจริญวิปั ส, สนาประเภทสุญญ า, านุ ป, ปั ส, สนาแต่ที่จริงแล้วอ น, นิจจังทุกขังอนัตตก็คือสิ่งเดียวแต่คนละมุมมองเท่ากันก็คือตัวขันห้านั่นแหละขันห้าบางคนบอกว่าขันห้านี่แหละคือตัวทุกอะไรทุกมั่งอ่ะชาติทุกมันทุกแค่ไหนก็เมื่อกี้โยมอาจารย์ก็อ่านให้ฟังอะนะตั้งแต่คลอดอะไรอยู่ในคันกว่าจะคลอดออกมา หลอดออกมาแล้วกว็กว่าจะโหกว่าจะเข้าโรงเรียนเข้าโรงเรียนกว่าจะเจริญเติบโตมาอยู่เท่านี้ถามว่ามันส น, นุกไหมล่ะนะเราลองย้อ น, อนดูนะใครที่มีความสุขมั่งโอ้โห ช, ช, ชีวิตฉันเนี่ยเรามาด้วยกลีบกุหลาบตลอดเลยมีความสุขเหลือเกินมาจนถึงวันนี้เนี่ยนะสุขจริงๆริงอ่ะนะมีแต่หายใจเฮือกใหญ่ใหญ่เนั้นเลยจะ <laughs> <laughs> แสดงว่าไอ้ตอนนั้นมันก็เพลินดีเหมือนกันหรอกครั้งคราวไปแต่โดยมากแล้วก็ มันไม่ได้สุขจริงๆอะไรหรอกมันก็เป็นความสนุกช่วครั้งช่วคราวอะไรผ่านไปแต่ว่าไอ้ความทุกข์นี่สิมันติดตามมันประดังประเดชเข้ามาเนีย่ยนะคืนถามว่าทําไมจึงมันเป็นทุกข์อ่ะหนึ่งทุกข์เพราะความไม่สมบูรณ์ในตัวอย่างหนึ่งทุกข์อีกอย่างหนึ่งก็เพราะมันไม่เที่ยงอะ่ะเนี่ยนะทุกข์เพราะเนื่องจากกุศลวิบากไม่ค่อยมีกําลังนักอันนี้อย่างหนึ่งก่อนนะได้ไนหะ น เ, เนื่องจากทํากุศลน้อยอ่ะนะคนบุญน้อยทั้งหลายและเนี่ยนะทำกุศลมาน้อยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันก็ทุกข์เพราะบุญน้อยเนี่ยอย่างหนึง่งนะเนื่องจากความป่าถนาเนี่ยมากกว่าผลบุญเหมือนกนเถอบุญเนี่ยมีมีกำลังไม่มากนะักเพราะฉะนั้นถามว่าทำยังไงที่จะให้อิบุญส่วนอื่นๆมาให้ผลได้อันนั้นจะต้องใช้ประโยคะค่อนข้างมากใช้ความเพียรพยายามอย่างสูงเพื่อที่จะดึงเอาบุญในส่วนอื่นมาให้ผลอันนี้ก็ทุกข์อีกอย่า ง, นงหนึ่งเหมือนกันเก็ทุกข์เพราะการแสวงหา นะเนื่องจากว่าไอ้สิ่งที่มีเนี่ยมันน้อยไปนะนะเหมือนกับว่าบ้านไม่ได้อยู่ใกล้แม่น้ำมันนะมันก็ต้องขุดบอ่อหน่อยปราณ ก, กว่าจะมีน้ําพอใช้จริงๆอะ่ะเนื่องจากว่าไม่ได้เกิดมาใกล้บอ่อนะไอ้ใกล้แม่น้ําระมาณนั้นเถอะชันใดก็ดีคนทั้งหลายโดยมากก็เนื่องจากเกิดมาแล้วก็กุศลที่ให้ผลเนี่ยมันมันไม่ค่อยบริบูรณ์ น, นะนะกุศลที่ให้ผลนําเกิดมันไม่บริบูรณ์เต็มที่ เหมือนกับตอนทํากุศลนี่แหละก็พ้องกระแพงอย่างนี้แหละมันเวลาผลก็ให้มันก็เลยให้กับพ่องกระแพงลักษณะเ ด, เดียวกันนั่นแหละอันนี้ก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งแล้วก็ทุกข์เพราะไม่เที่ยงของแต่ละส่วนแต่ละส่วนในอย่างหนึ่ง น, นะถ้าประกาศถึงความไม่เที่ยงของสังขารทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะถ้าหากว่าเราหยิบยกปัญหาเอาตั้งแต่อยู่ในคันมาเลยพองก็แสดงว่า นับตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่ปฐมังกระระเนี่ยนะกะระก็คือหยาดน้ํใสๆเหางนั้นเถอะขณะที่ผสมเป็นตัวกันเข้าอ่ะนนะผสมกันเป็นตัวเข้าอ่ะหลังจากนั้นก็บ่ายหน้าไปสู่ความตายโดยถ่ายเดียว น, นะมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเดือนแรกก็ไม่ถึงเดือนที่สองมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วจะเอาแบบหยาบหน่อยนะเดือนที่สองก็ไม่ถึงเดือนที่สาม เดือนที่สก็ไ <c> ม <oughs> ่ถึงเดือนที่ 4، เดือนที่4ี่ก็ไม่ถึงเดือนที่5เดือนที่หก็ไม่ถึงเดือนที่6เดือนที่6ก็ไม่ถึงเดือนที่7เดือนที่7ก็ไม่ถึงเดือนที่8ดเดือนที่8ก็ไม่ถึงเดือนที่9หรือว่าเดือนที่9ก็ไม่ถึงตอนคลอดยงงมันก็มีความบกพร่องอยู่ในแต่ละส่วนแต่ละส่วนมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่แต่ตลอดเวลาแม้กระทั่งตอนคลอดเองเนี่ยนะมันก็ไม่เที่ยงบางคนก็ไม่เที่ยงที่เรียกว่าตายไปเลยก็มี อ่าบางคนที่อ่ะไม่เที่ยงเพราะเกิดการเปลี่ยนแปลงเจริญเติบโตขึ้นฉนั้ น, น, นแต่ละส่วนก็มีความไม่เที่ยงอยู่ในตัวในตัวในตัวในตัวในระหว่างนั้นเนี่ยนะคนบางคนทุกข์มากเพราะอากุศลวิบากมันให้ผลรุมเราอย่างเช่นพวกที่ทาปานาติบาตประเภทเบียดเบีย น, ยนสัตว์ไว้เยอะชีวิตมันก็เต็มไปด้วยโรคภยัยไข้เจ็บอันนี้ทุกข์จริงๆด้วยอันนี้เป็นทุกข์ที่เป็นผลของอกุศล แต่ส่วนหนึ่งทุกก็คือทุกเพราะไม่เที่ยงเกิดการเปลี่ยนแปลงมาตลอดเวลาอันนี้เรากล่าวถึงในฝ่ายของรูปกายรูปกายก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้จนถึงคลอดออกมาแล้วเดือนที่1ก็ไม่เท่ากับเดือนที่สองเดือนที่1ก็ไม่ถึงเดือนที่2เดือนที่2ก็ไม่ถึงเดือนที่ที่3เดือนที่3ก็ไม่ถึงเดือนที่4จนถึงไม่ถึงปีปีที่1ก็ไม่ถึงปีที่สองนี่นะเพราะแต่ละปีเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นะเด็กแต่ละปีแต่ละปีก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในช่วงนี้อันนี้จะลักษณะก็เป็นไปอยู่ในลักษณะนี่ความไม่เที่ยงก็ดำเนินไปอย่างนี้เรื่อยๆจนมาถึง1ิปีแรก1ิปีแรกก็ไม่เหมือน1ิปีที่สองสิบปีที่สองก็ไม่เหมือน1ิปีที่สมของม า, างที่สมก็พอแล้วมั้ง <laughs> การสิปีที่เท่าไหร่ดิิปีที่แปดอย่างเงี้ยบางท่านนะสิปีที่เจ็ดที่แดและ เพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนแปลงมาหลายสิปีแล้วในระหว่างการเปลี่ยนแปลงของสังขารไม่มีความยั่งยืนอยู่เหมือนเดิมสักภาพเลยถ้าหากว่าเราเป็นนักสะสมภาพนะภาพถ่ายของตัวเองเนี่ยนะตั้งแต่แรกเกิดมาจวบบัตรนี้แล้วนะเอ๊ะมันใครกันแน่หรอคนละคนหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยนะมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในระหว่างนี้เกิดความทุกข์ในสองลักษณะที่ใหญ่ใญชัดๆเลยก็หนึ่ง ทุกข์เพราะอกุสลวิบากมันให้ผลอย่างหนึ่งอย่างที่สองทุกข์เพราะไม่สมหวังไม่สมความปรารถนาเนี่ยอย่างหนึ่งเนี่ยนะทุกข์เพราะไม่ไม่ความไม่ประสบสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วก็ทั้งไม่เที่ยงด้วยทั้งเป็นทุกข์ด้วยทุกจริงจริงด้วยทุกข์เพราะไม่เที่ยงด้วยถามว่าสิ่งเหล่านี้บอกได้ไหมว่าเป็นอัตตามีอัตตาไปซึมแทรกอยู่ส่วนไหนบ้างของชีวิต นะถ้าใครบอกว่าอา้าวกดจิตไงจิตที่มันอยู่ในร่างกายอันนั้นเนี่ยมันเที่ยงนะจิตอันนั้นแหละมันตัวอั ต, ตาอา้าวจิตมันเกิดตลอดใช่ไหมบอกว่าใช่แต่จิตชนิดเดียวกันใช่ไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นผู้ที่ศึกษาคำสอนมาเป็นอย่างดีจะรู้ว่าจิตนี่มีอยู่หประเภทจิตที่อาศัยทวารตาเกิดเนี่ยอย่างหนึ่งเนไ จิตที่อาศัยทวารหูเกิดก็อย่างหนึ่งจิตที่อาศัยทวารจมูกเกิดก็อย่างหนึ่งจิตที่อาศัยทวารลิ้นเกิดก็อย่างหนึ่งจิตที่อาศัยทวารกายเกิดก็อย่างหนึ่งจิตที่อาศัยทวารใจเกิดก็อย่างหนึ่งเั้นจิตนี้อาศัยทวารเกิดตั้งหกทวารไม่ใช่จิตดวงเดียวกันเป็นจิตคนละประคนละอย่างคนละดวงคนละประเภทโ ด, ดยซ้าไป ในบรรดาจิตทั้งหลายเหล่านั้นก็ยังแตกแยกเป็นกุศลอกุศลวิบากและกิริาายาครับพีอีกเนี่ยนะทีนี้อกุศลบางอย่างก็ประกอบกับทุกขเวทนาก็มีมอกุศลบางอย่างประกอบกับสุขเวทนาก็มีประกอบกับอุเบกขาเวทนาก็มี explore. แม้แต่ like jadi, วิบากวิบากบางอย่างก็ประกอบกับสุขเวทนาวิบากบางอย่างก็ประกอบกับทุกขเวทนาวิบากบางอย่างก็ประกอบกับอุเบกขาเวทนาแม้กระทั่ง ขณะที่เป็นกุศลกุศลบางครั้งก็เป็นสุขเวทนาบางครั้งก็เป็นอเุเบคาเวทนาสลับกันไปอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นชีวิตเนี่ยนะจิตก็สลับกันไปถามรู้ได้ยังไงว่าจิตสลับเนื่องจากเวทนานั่นเองนะถ้าอยากจะรู้ว่าจิตเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ศึกษาที่ทวารเนี่ยอย่างหนึ่งศึกษาที่เวทนานี่อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าเวทนานี้มีสามมีสามมีสา เวทนามีสามคืออะไรสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาขณะที่เราดีใจนี่สุขใจนี่นะมีความทุกขเจือปนด้วยไหมขณะนั้นมีความเฉยเฉยเจือปนไหมไม่มีมีแต่ความสุขล้นล้วนที่เกิดขึ้นในขณะนั้น แต่ในขณะที่เสียใจไม่มีความดีใจเจือปนเลยในขณะนั้นเช่นบางคนหัวเราะก็ร้องให้ขณะที่เขาหัวเราะเขาก็ไม่ได้ร้องให้ขณะที่ร้องให้ก็ไม่ได้หัวเราะเกิดขึ้นทีละอย่างเกิดขึ้นทีละครั้งแต่แล้วไอ้ความเสียใจก็มีแต่ความเสียใจล้วนๆไม่มีสุขผสมเจือแทรกอยู่เลยไม่มีความเฉยๆเจืออยู่เลยเช่นในขณะที่เราเฉยๆดูสิ ขณะเฉยๆเนี่ยนะชีวิตเราเนี่ยนะเฉยมากกว่าดีใจและเสียใจเชื่อไหมดีใจเสียใจยกับเฉยเนี่ยเฉยมากกว่าแต่เฉยเนี่ยเป็นลักษณะที่รู้ได้ยากเมื่อเทียบดีใจและเสียใจเฉ ย, ยเนี่ยรู้ได้ยากหน่อยเพราะฉะนั้นเราก็มาเลยไม่ค่อยพูดถึงไอ้ความเฉยๆพูดแต่อิที่ชัดๆแต่เฉยเนี่ยมีมากถ้ายิ่งมาด้วยเนี่ยโอ้โหเฉยเนี่ยมากจริงๆแต่กระเดียบไปทางโมหนะเหม เพราะว่าฉยนั้นไม่ได้เฉยไปไปกับการรู้อริยสัจอะไรเลยนะบางทีก็ใช้ไปเรื่อยเปื่อยไปงั้นแหละแต่เฉยอย่างงี้โมหะเนี่ยนะเฉยแบบนี้เจริญมากๆสังสารวัตรยุดนะนะสังสารวัตเนี่ยยาวแนะ่เฉยแบบนี้เนีนะนะเพราะฉะนั้นเวทนาก็เกิดคนละอย่างคนละอย่างคนละอย่างเอาเมื่อกี้กล่าวถึงรูปประกายรูปประกายก็เกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเนี่ยนะเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดอันะ ถ้าพูดแบบสัมนวนวิสุทธิมรรคก็ว่าสิปีแรกก็ไม่ถึงสิบปีที่สองสิบปีที่สองก็ไม่ถึงสิบปีที่3ามสิปีที่สามก็ไม่ถึงสิปีที่สี่ทีนี้ถ้าในส่วนของเวทนาเนี่ยนะมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามทวารตามอารมณ์ตามวัตถุเนี่ยนะตามวิถีตามนั้นๆไปทีนี้เมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นในลักษณะนี้เนี่ยนะชีวิตลักษณะนี้แหละเขาเรียกว่าอาพาธอาพาธ นี่แหละเขาเรียกว่าชาราปิดทุกขาการดําเนินเป็นไปอย่างนี้เรียกว่าชาราในระหว่างดําเนินชีวิตเนี่ยนะบางคนมีความมีโรคอยู่ในนั้นด้วยเขาเรียกว่าพยาธิแต่โดยมากทําไมพยาธิจึงไม่พูดเพราะผสมกับชาราอยู่แล้วอั้นคําว่าชาราอมพยาธิไว้ด้วยในนั้น น, นะบางคนเนี่ยชารามากพยาธิในส่วนนั้นส่วนนี้กําเริบต่างๆนานาเพราะฉะนั้นที่ไหนมีชาราขอให้รู้เถอะว่าบวกพยาธิเข้าไปด้วย แต่เนี่ยไอ้พยาธิมากพยาธิน้อยเนี่ยก็สมุธฐานของพยาธิหรือสมุธฐานของโรคอีกนัยยะหนึ่งนะโรคบางอย่างมีอิริยาบถเป็นสมุธฐานนะเนื่องจากการขยับอิริยาบถไม่ไม่สมดุลโรคบางอย่างมีอาหารเป็นสมุธฐานโรคบางอย่างมีน้ำดีเป็นสมุธฐานโรคบางอย่างมีลมเป็นสมุธฐานโรคบางอย่างมีอุตุภายนอกเป็นต้นเนี่ยนะอากาศแปลแปลปรวนเป็น สมุธฐานบางอย่างก็มีจิตเป็นสมุธฐานบางอย่างก็มีกรรมเป็นสมุธฐานเนี่ยนะไอโ้โรคโรคเนี่ยนะมันก็ไม่ได้เกิดจากสมุธฐานเดียวเพราะฉะนั้นมันก็บวกเข้ากับชาราเข้าไปอีกเพันแต่ว่าชีวิตเหล่านี้ก็ดําเนินไปสู่มรณะโดยถ่ายเดียวเนี่ยนะดำเนินไปสู่มรณะโดยถ่ายเดียวนะเพรันมรณะที่พระองค์ทรงขับเน้นมากก็คือไอ้ตายที่ชาวโลกว่าตายจริงๆเนี่ยแหละสนใจแนวนี้มากกว่าตายแบบทางฆากขณะ เนี่ยนะเราสนใจตายแบบตายจริงๆนี่แหละตายที่จะต้องจากลูกจากหลานจากบ้านจากช่องนี่แหละมากกว่าที่จะตายแบบอุปาทถีติพังคะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเอาแบบมรณังไปทุกขังมางนกันไอความตายก็เป็นทุกพระองค์จึงเอามาแสดง